เขาเรียกว่า จ, จำจาได้โดยรายละเอียดโดยภาพรวมเนี่ ย, ยเขาเรียกอัตถะเข้าใจความหมายเข้าใจเนื้อความทั้งหมดคนบางคนเนี่ยสามารถฟังเรื่องราวอะไรต่างๆจับภาพกว้างในทั้งหม ด, ดารายละเอียดจับแต่ประการที่สองก็คือบางคนฟังแล้วจับหลักไม่ได้จับประเด็นสําคัญไม่ได้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยไหมหนึ่ง เข้าใจภาพความหมายเนื้อความทั้งหมดสองจับประเด็นได้จับหลักได้สรุปประเด็นได้ว่าอะไรเป็นตัวเหตุตัวหลักที่แท้จริงไม่พอเนื้อประการต่อมาคือว่าสามารถนําไปสื่อสารได้ใช้ภาษาที่สื่อสารกับเขาให้เขาเข้าใจได้และประการต่อมาคือว่าสามารถถอดปมในใจเขาได้ไอปมในใจของเขาอ่ะที่เขาติดข้องอยู่ที่เขา คิดไม่ตรงอยู่สามารถถอดความคิดที่ไม่ตรงก็ได้ให้ความคิดที่ตรงเขาได้เนี่โหสมบริบูรลเลยเยายาสืบเพื่อเรื่องทีท่แล้ววิเคราะห์ไปไม่ถึงยังลึกไปไม่ถึงตั้งตอเนาะโกงมันก็ฝังนานกว่นาเน ม, มันก็น<ม>เป็นเหมือนลูกศอนเ<ม>นี่ยลูกศอนมันตักอยู่มันปักในใจถ้าเราถอดลูกศรนก็ได้เรายังมองไม่ตรงตามความเป็นจริงด้วยบางครั้ง มันอาจจะเป็นอคติของเร า, <อ>าเป็นปัญญา<อ>เราเองตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่เราควรต้องมองให้ละเอียดนะพยายามมองให้ละเอียดมองให้ใช้จิตใจให้ปลอะโปร่งโล่งจริงๆในการที่จะไปมองตรงนั้นใช้ปัญญาก็ไปเจาะมองบางทีเนี่ยบางคนบางคนอยู่กับลูกมาตั้งทั้งชีวิตเนี่ยดูลูกไม่ออก ก็เหมือนจะมอดเหมือนไนอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็มองไม่ออกแต่พอมาอยู่กับพระได้เจแปดวันพระดูออกแล้วอ๋อยังไงยังไงก็บอกแล้วก็ยังแถมบอกกลับไปดูด้วยพ่อแม่ก็เป็นอย่างนี้นนะวิธีการสื่อสารกับพ่อแม่ทํางนี้ยังบอกรายละเอียดเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าพอเอเนี่ยพระยังเนี่ยฝึกตนเองมาด้วยการที่ไม่มีอคติกันครับฝึกตนเองมาดีแล้วก็ใช้เวลาฝึก เมืบบ่อฝึกตนเองแล้วจนตนเองเข้าใจกิเลสตนเองเข้าใจกิเลส ข, ของบุคคลอื่นเข้าใจปัญหาตนเองเข้าใจปัญหาคนอื่นถ้ามองคนอื่นก็จะมองใหาขึ้นคือเราไม่ได้ไปครุบอยู่กับปัญหาดังนั้นแต่เรามองอยู่ที่สูงแล้วมองลงท่านใช้คําว่าปัญญาปราสาขึ้นสู่ปัญญาปราสาก็มองจะเห็นเหมือนเราอยู่ที่สูงแล้วก็มองเห็นคนเดินออกจากบ้านเดินเข้าบ้านเดินไปตรงนู้นตรงนี้มันเดินเห็นหมดัจนได้ นั้นคนที่กลุ่มที่ฝึกจิตของตนเองฝึกปัญญาฝึกอะไรต่างๆมาดีก็จะมองแต่ว่ามันก็อยู่ตรงว่าจะได้พบเจอคนนั้นแล้วก็เขาจะเชื่อไหมประเด็นนี้ถ้าเชื่อมันแก้ไดประเด็นยิงต้องเชื่อเขถ้าไม่เชื่อบางทีเอ๊ะฉันอยู่กับท่านกูท่านจะมารู้อะไรอะไรอย่างเงี้ยจบเลยากรณีแบบนี้ เขาจะเห็นเหมือนเหมือนเหมือนเด็กหรือใครก็แล้วแต่ถ้ามาอยู่ไม่นานก็จะเริ่มรู้ย่าวขจะบอกบาทียิ่งเขามาอยู่มีพวกมสักพักก็จะเล่าให้ฟังหมดเลยนะอาจารย์เาใจเข้าใจโอเหมือนได้ได้ข้อมูลที่จะได้ คือบางทีบางทีเราเราไปอยู่มันเหมือนนักมวยนะบางทีนักมวยไปขึ้นบนเวทีมันมองไม่ออกมันจะลบบอลกันมองไม่ออกเขาาต้องมีพี่เลี้ยงไนงะพี่เลี้ย ง, ย ง, ม, องออมันมองออกมันมองออกเหมือนคนที่ไปขุในธุรกิจบาง ท, ทีมองไม่ออกก็มีที่ปรึกษาใช่ไหมที่ปรึกษาคนที่ประสบความสาเร็จทั้งหมดคือได้ที่ปรึกษาได้กัลยาณมิตร พระเจ้าเป็นยอดกัละยาณมิตรของพุทธบริษัทเพราะเอืเราเราได้พระเจ้าเป็นที่ปรึกษา